สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตรบที่12ครับซึ่งเริ่มฉากใหม่เรื่องใหม่แล้วหลังจากที่ซูรมอนได้สิ้นพระชนหลังจากการตายของซูรมอนเผ่าทางเหนือกระบทและอิสราเอลก็แตกแยกเป็นสองอาณาจักรครับแต่ละอาณาจักรนั้นก็เผชิญกับความหายนะเพราะกษัตรินั้นไม่ได้ดารงตน กษัตริย์ซึ่งเป็นผู้นำนันไม่ได้ดำรงตนอยู่ในความถูกต้องความชอบธรรมและเชื่อฟังกฎเกณฑ์กฎบัญญัติขององค์พระวิเนเจ้าแต่กลับเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายคือไปกราบไหว้รูปเคารพไปมีเมียเป็นคนต่างชาติและทำการไม่ดีต่างๆให้กับประชากรของตนเอริยาผู้เผยพจนพ ะ, ะนนก็ปรากฏตัวขึ้นครับเอลียานั้นถูกส่งมาจากพระเจ้า ปรากฏตัวขึ้นและต่อว่ากริสัเหล่านี้ที่ทำบาปพระเจ้าทรงจัดการกับความบาปอย่างเด็ดขาดครับแม้ดูเหมือนว่าการพิพากษาจะมาถึงช้าแต่พระเจ้าทรงพิพากษาความชั่วอย่างรุนแรงในที่สุดนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเมื่อคนของพระเจ้ามาเตือนแล้วแล้วท่านยังไม่ยอมกลับใจท่านจะต้องพบกับความหายนะอย่างแน่นอน นั่นคือบทเรียนที่ได้รับจากตั้งแต่บทที่12จนถึงบทที่22ครับนะฮะอีก11บทครับเราจะเห็นบทเรียนของความแตกแยกการแช่งสาบและการล่มสลายของรัชการต่างๆพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรม1หนษัตริย์บทที่12ข้อ1จนถึงข้อที่17โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเรโหโบอัม เสด็จไปที่เชเคมพเพราะชาวอิสราเอลทั้งปวงพากันไปที่นั่นเพื่อตั้งเรโฮโบอัมขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อเยโรโบอัมบุตรเนบัตซึ่งหนีกษัตริย์โซโลมอนไปอยู่กับอียิปต์ทราบข่าวจึงกลับมาจากอียิปต์พวกเขาก็ส่งคนไปตามเยโรโบอัมมาแล้วเขาก็ชุมนุมประชากรอิสราเอลทั้งปวงเข้าเฝ้าและทูลเรโหโบอัมว่าราชบิดาของฝ่าบาททรงวางแอกหนักให้พวกฝ่าบาท ให้พวกข้าพระบาทบัดนี้ขอทรงผ่อนภาระและบรรเทาแอกที่วางไว้แล้วพวกข้าพระบาทจะรับใช้ฝ่าพระบาทเรโหโบอัมตรัดตอบว่าให้เวลาเราสักสามวันแล้วพวกท่านถอยกลับมาหาพวกเรากลับมาพบเราประชากรจึงกลับไปกษัตริย์เรโหโบอัมทรงหารือกับบรรดาผู้อาวุโส ซ, ซึ่งเคยถวายคำปรึกษา แด้โซรลมอนราชบิดาเมื่อครั้งยังทรงพระชนอยู่ว่าท่านว่าเราควรจะตอบประชาชนเหล่านี้ว่าอย่างไรพวกเขาทูลว่าหากวันนี้ฝ่าพระบาทจะทรงเป็นผู้รับใช้ประชาชนปรนิบัติเขาและตอบตามที่เขาต้องการพวกเขาก็จะเป็นผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเสมอไปแต่เรโหโบอัมไม่ฟังคําแนะนําของผู้อาวุโสกลับปรึกษาพระสหายหนุ่มๆซึ่งเติบโตมาด้วยกันและรับใช้พระองค์อยู่ ทรงตรัสถามพวกเขาว่าพวกเจ้าจะแนะนําอย่างไรเราควรจะตอบคนที่มาพูดกับเราว่าขอทรงผ่อนปรนแอกที่ราชบิดาของฝ่าพระบาทวางไว้บนเหล่าข้าพระบาทว่าอย่างไรพวกคนหนุ่มที่เติบโตขึ้นมากับพระองค์ก็ทูลตอบว่าขอให้ตรัสกับบรรดาผู้ที่มาทูลว่าราชบิดาของฝ่าพระบาททรงวางแอกหนักบนเราขอทรงทําให้แอกของเราเบาลงนั้น บอกกับเขาว่านิ้วก้อยของเราก็หนายิ่งกว่าเอวของเสด็จพ่อเสียอีกเสด็จพ่อของเราวางแอกหนักบนพวกเจ้าเราจะทําให้หนักยิ่งขึ้นไปอีกเสด็จพ่อของเราเคยใช้แส้เคียนพวกเจ้าชวนเราจะใช้แมงป่องเล่นงานพวกเจ้าสามวันต่อมาเรโฮเ ย, ยโรโบอัมและประชากรทั้งปวงกลับมาเข้าเฝ้ากษัตริย์เรโฮโบอัมตามที่ตรัสไว้ว่าอีกสามวันค่อยกลับมาพบเรา กษัตริย์ตัดต่อประชาชนด้วยท่าทีแข็งกร้าวทรงปฏิเสธคาแนะนำของบรรดาผู้อาวุโสพระองค์ทรงทำตามคาแนะนำของพวกคนหนุ่มและตรัสว่าเสด็จพ่อของเราวางแอกหนักให้พวกเจ้าเราจะให้หนักยิ่งขึ้นไปอีกเสด็จพ่อของเราเคยใช้แส่เคียนเจ้าส่วนเราจะใช้แมงป่องเล่นงานเจ้าดังนั้นกษัตริย์ไม่ทรงรับฟังประชาชนเหตุการณ์นี้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้สำเร็จตามที่องค์พระิูเนเจ้าได้ตรัสไว้กับเยโรโบอัมบุตรเนบัตผ่านทางอาฮิยาชาวชิโลเมื่ออิสราเอลทั้งปวงเห็นว่ากษัตริย์ไม่ทรงฟังพวกตนพวกเขาตอบกษัตริย์ว่าเราจะเกี่ยวข้องอะไรกับดาวิดเรามีส่วนอันใดกับบุตรเจ็สีอิสราเอลเอ๋ยกลับบ้านเถิดให้ดาวิดดูแลปกครองพวกตัวเองไปก็แล้วกันดังนั้นชนอิสราเอลจึงพากันกลับบ้าน แต่เรโหโบอัมก็ยังปกครองคนอิสราเอลซึ่งอยู่ในเมืองต่างๆของยูดาห์พี่น้องครับเมื่อเราได้อ่านพระวจะนะของพระเจ้าเราได้เห็นสภาพที่เกิดการแตกแยกสภาพแห่งการกรบฏซึ่งเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากการที่ผู้นำเดิมของเขาก็คือโซโลมอนนั้นได้ทำผิดทำพลาดในดการณบกันครับโซโลมอนทำผิดทำพลาดแต่ถ้าหากว่า เรโโบอัมซึ่งเป็นลูกของโซโลมอนนั้นยอมที่จะดึงประชากร น, นั้นกลับมาและอยู่ในทางของพระเจ้าผมส่วนตัวเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งอิสราเอลแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเลโหโบอัมนั้นแทนที่จะไปฟังคำปรึกษาจากบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับโซโลมอนเขาไม่เชื่อ แต่เขาไปเชื่อเอาพักพวกเพื่อนเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงที่เติบโตมาด้วยกันเคยเล่นด้วยกันเคยกินด้วยกันเคยเที่ยวด้วยกันมาเป็นที่ปรึกษาแม้ว่าเขาจะเก่งครับแต่ว่าพวกนี้บ้าอํานาจพี่น้องครับการให้คำปรึกษานั้นสําคัญครับการรับคำปรึกษาก็สําคัญคําปรึกษาที่อยู่ในพัฒน์ไทยของพระเจ้านั้นย่อมมาจากคนของพระองค์ พี่น้องครับถ้าคนของพระองค์นั้นได้หลุดออกจากทางของพระเจ้าบรรดาคนเหล่านั้นก็จะให้คำปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าอีกต่อไปนั่นนะครับคือที่มาที่ไปของสองคณะที่ปรึกษาคณะผู้อา ว, วุโสแนะนำอย่างไรครับคณะผู้อา ว, วุโสแนะนำว่าให้ผ่อนปลนไปเถอะให้ผ่อนปลนไปเถอะทำตามที่เขาต้องการ พวกเขาก็จะเป็นผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเสมอไปแต่เรโฮโบอัมไม่ฟังคำแนะนำของผู้โสพี่น้องครับนั่นเป็นสีนหน้าเสียดายเสียใจมากผมอยากจะบอกพี่น้องเพื่อให้ไม่ให้สับสนนะครับทางฝั่งของโซโลมอนเนี่ยนะครับมีลูกชื่อเรโฮโบอัมแต่ฝั่งกบฏเนี่ยผู้นำกบฏคือเยโรโบอัมเรโหกับเยโรครับแตกต่างกันครับนะฮะ เพราะฉะนั้นต้องช่วยจันจำหน่อยนะครับเรโฮโบอัมก็คือฝั่งของโซโลมอนเอารถของโซโลมอนแต่เยโรโบอัมนั้นเป็นพวกกระบทแต่ในที่สุดครับพระเจ้าก็ได้มอบ10เผ่านะครับสิเผ่าที่อยู่ทางเหนือให้กับเยโรโบอัมและเรโฮโบอัมก็ได้ครอบครอง2เผ่าครับความจริงก็คือ1เผ่าก็คือยูดาห์นั่นเองซึ่งเป็นพงพันธุ์ของกษัตริย์ บทเรียนในเช้าวันนี้ก็คือวิธีการประเมินคําแนะนําครับเมื่อเราได้รับคําแนะนําจงตั้งคําถามว่าคําแนะนํานั้นเป็นไปได้จริงหรือเปล่าทําได้จริงหรือเปล่าและถึงที่สําคัญที่สุดก็คือว่าสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่เราต้องพิจารณาดูครับว่าการทําตามคําแนะนํานั้นส่งผลยุติธรรมก่อให้เกิดการพัฒนามีความเป็นจริยธรรม และเป็นทางออกทิศทางที่ดีที่สุดหรือเปล่าจงขอคำแนะนำจากผู้ที่ฉเฉลียวฉลาดและมีประสบการณ์สูงครับก็คือบรรดาผู้อโุโสจะดีกว่าบรรดาผู้ที่เป็นพักพวกหรือเพื่อนรุ่นเดียวกันคาแนะนำที่มีประโยชน์จะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับมาตรฐานของประชาเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้ที่ให้คาปรึกษาจะต้องดีด้วยครับเพราะว่าชีวิตที่ไม่ดีนั้น ก็จะไม่มีประสบการณ์ที่ดีกับพระเจ้าทั้งเยรูซามและเลโฮบาัมต่างก็ทําสิ่งที่ดีสำหรับตนเองแต่ในที่สุดครับไม่ใช่เพื่อประชาชนเพื่อตัวเองทั้งสิน้นพี่น้องครับทุกวันนี้เราอยู่บนผลประโยชน์ผ ล, ชนผลประโยชน์ที่เป็นของตัวเองหรือเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นแหละครับคือคำถามที่ผมจะถามผู้ที่มีอานาจผู้นำ และผู้ที่เป็นที่ปรึกษาผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารผู้ที่เป็นผู้บริหารในทุกๆระดับเรากำลังอยู่กับผลประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมเราจะบริหารผลประโยชน์อย่างนี้ให้ถูกต้องตามน้ำาันไทยของพระเจ้าได้อย่างไรครับอาเมน